ขอต้อนรับสู่คอร์สอะไรเนี่ยวันนี้คอร์สสองวันสองวันหนึ่งคืน <c oughs> ตามตามรายการนะกำหนดการการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยมาว่าเราจะต้องคุยกันก่อนเล็กน้อย มันมีสองเรื่องคือเรื่องที่ต้องรู้กับเรื่องที่ต้องทำเรื่องที่ต้องรู้ก็คือว่าระเบียบกาหนดการที่ทางคณะผู้จัดท่านได้เตรียมการแจกน่าจะทราบกันทุกคนดีอยู่แล้วนะแต่ที่มาทมาไม่มีพยายามหาไม่มีเดะแต่เห็นในนั้นว่าที่จาได้คร่าวๆเนาะเออ เป็นเนสัชิกเนสัชิกตอนนี้เป็นคําตลาดใครๆก็พูดกันถึงคําว่าเนสัชิกแต่คําว่าเนสัชิกมันเป็นจริงๆมันเต็มๆก็เรียกว่าเนสัชิกกลางคะเป็นการถือทุดงอย่างหนึ่งของพระแต่ว่าโยมก็เอามาแปลงเป็นเนสัชิกคือว่าประกอบไอเนสัชเนเนสัชชะ กับอ k กะอ a กะอกะตัวนี้แปล ว, ว่าประกอบกลายเป็นว่าเนสัชิกะแปลว่าประกอบด้วยการไม่นอนเป็นปกติโดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่9้าโมงเช้าของวันที่27ถึงบ่ายสามโมงของวันที่28แต่ที่นี้ มันไม่มีคําว่าอังคะคือว่าไม่มีคําว่าเนสัตชิกอังคะเต็มๆเรามีใช้ในในในตำกรรมตุตการก็พิมพ์แค่ว่าเนสัตชิก ค, คือถือการไม่นอนก็อแปลว่าไม่บังคับมากเพราะว่ามูลเหตุของการถือเนสัตชิก ค, คราวนี้เพราะโควิดหนึ่งเกนะเนื่องจากว่าโควิดมันระบาดเยอะตอนแรกเราก็จะปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ยีิบสี่ถึงยีิบเก้าแต่ทีนี้ พอพอไอ้โควิดมันไม่ยอมลดลาวาสออกให้แต่ว่าเราก็ไม่ยอมเลิกจัดยังตู้กับมันอยู่ก็เลยคิดว่าแต่ละคนนั้นมีไทม์ไลน์ไม่แน่นอนถึงแม้นว่าแน่นอนแต่ว่าเราไม่สามารถว่าไอ้คนที่นอนอยู่ห้องเดียวกันกับเรานั้นไปไหนมาบ้างนี่แความไม่มันความไม่แน่ใจในเรื่องของไทม์ไลน์นี่แหละมันจึงเป็นเหตุที่มาว่า ถ้าอย่างนั้นเราปฏิบัติกันแบบไม่นอนดีกว่าเออมันจะได้ป้องกันป้องกันไปได้อีกหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้นะแต่ก็ในการปฏิบัตินั้นเท่าที่จะมาอ่านเนี่ยเขาให้งดเรื่องวาจาแต่ไม่ถึงขนาดว่าให้ปิดวาจาหมายความว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ในข้อเริ่มตั้งแต่เก้ามงนี้เป็นต้นไปแล้วนี่เราจะต้องรู้ว่าไม่จําเป็นเราไม่คุยละ ไม่มีความจําเป็นจริงๆเราไม่พูดไม่จาแล้วเออเากายเอาใจนี้เข้าไปสู่ในรูปแบบของการภาวนาอย่างเดียวแต่ไม่ถึงขนาดประกาศว่าปิดวาจาแต่ก็มันไม่ต้องห่วงแล้วมันไม่มีเจ้าหน้าที่คอไปยืนชี้ว่าชีชีชีเหมือนที่อื่นเราไม่เอาเราไม่ทําอย่างนั้นเพียงแต่ประกาศให้ทราบว่านี่คือเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่าเราไม่จําเป็นเราจะไม่พูดคุยกันเราจะไม่ใช่การสื่อสารกันเราไม่จะขนงานออกมาทําบ้าน ไม่ใช่ขนหอบบริษัทหอบออฟฟิศมาไว้ที่ที่ปฏิบัติเราไม่เอาอย่างนั้นเยรียกว่าเอากายเอาใจมาเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติขัดเกลาจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ซึ่งก็สมควรที่จะต้องประกาศให้ทราบทีนี้เรื่องที่จะต้องทําอำเขาเรียกว่าบุพกิจก่อนการปฏิบัติสิ่งที่เราจะต้องทํามีอะไรมั่งบุพกิจเนี่ย เรื่องแรกเลยนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของคนเราคือความกังวลความติดใจคล้องใจเหนียวรั้งกังวลที่เกิดขึ้นซึ่งทางโบราณอาจารย์ท่านได้รวบรวมไว้รวมเรียกว่าปริพ o o t ปริพ o แปลว่าเครื่องคล้องเครื่องกังวลนั่นนะ่ะนี่คนปฏิบัติเรามีเวลาแก่สองวันกับหนึ่งคืนเนี่ย มันน้อยมากมันน้อยมากทีนี้ถ้าเราปล่อยให้มันไปนั่งเครื่องเป็นกังวลอยู่กับเรื่องราวต่างๆนี่มันก็เสียโอกาสเพราะเครื่องกังวลมันเป็นอุปสรรคและอันตรายต่อการภาวนาอะไรบ้างที่เป็นเครื่องกังวลของเราเช่นที่ท่นรวบรวมไว้ใช่ว่าอาวาสปริพ ooth กังวลเรื่องที่อยู่เรื่องบ้าน กังวลไปเลยความนึกถึงบ้านนึกถึงอะไรมัางอ่ะประตูเอ่ยกุญแจเอ่ยตู้เสบเอ่ยห้องครัวเอ่ยห้องอาหารเอ่ยมันเยอะแยะให้เกี่ยวกับบ้านนะถ้าไปนึกแล้วมันก็กังวลอยู่นั่นแหละเพราะว่าเราอยู่นี่บ้านอยู่โ น, น่นเพราะฉะนั้นท่านว่าไม่ควรจะไปกังวลในเรื่องของอาวาสปริโภพุทธประการที่หนึ่งตัดออกไปให้ได้ประการที่สอง ที่ว่าเรามักจะกังวลกันบ่อยๆก็คือกูละบริกูละปริวาสหรือตระกูลครอบครัวตระกูลครอบกระกูลครอบครัววงสาคานายาตที่มันมีอยู่นะบางทีท่านเรียกแยกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเรียกว่ากูละกูละกูละคือคือครอบครัวโดยตรงที่เราจะต้องอยู่ร่วมด้วยกัน เช่นบ้านเราครอบครัวเรามีปู่ย่าตายายมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีสามีภรรยามีลูกมีเต้าที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันพอเราแยกตัวมานั่งอยู่ที่นี่เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมจิตมันก็จะเกิดการเครื่องคลองและกังวล น, นึกไปแล้ววันนี้กินข้าวแล้วยังป่านนี้ตื่นแล้วยังไปทำงานแล้วยังจัดการหน้าที่ธุระเรียบร้อยแล้วยังออกไปข้างนอกปิดบ้านดีไหม เรื่องดุจเรื่องอยู่ในเขรียกว่ากุละบริกุละปริโพุทธมันก็เกิดความกังวลความกังวลเหล่านี้มันเป็นเครื่องบันทอนการฝึกฝนการเจริญสติของเราอะไรอีกอะเรียกวาลาภะลาภะปริโพุทธก็คือว่าเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์ทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลประโยชน์จากงานบ้างผลประโยชน์ส่วนตัวบ้าง เรื่องที่เราได้มั่งอย่างวันนี้ถ้าเราไม่มานี่เราก็อาจจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดเป็นผลประโยชน์เป็นชิ้นเป็นเนื้อเป็นมูลค่าขึ้นมาถ้าจิตมันไปกังวลไปปริพเทถึงมันก็จะบั่นทอนการเจริญสติของเราเขาเรียกว่าลาภบริพภคประการต่อมาก็อะไรอ่ะอ่า กรรมคือการงานการงานหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ว่าที่ปกติถ้าเราไม่มานี่เราทํางานอยู่เราต้องรับผิดชอบอะไรต้องทําอะไรเรื่องการงานต่างๆมันก็จะดึงเราไปึกสู่ความกังวลเหมือนกันพวกการเดินทางมีนัดมีหมายมีอะไรกันไว้ก็จะไปวันนั้นวันนี้วันนี้ยกเลิกนัดแต่คนอื่นเขาไปกันเราไม่ได้ไปป่านนี้เขาทาอะไรกันแล้วเนาะอะไรเงี้ย ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าอัธานะปริพ o o t คือความกังวลในเรื่องของการเดินทางทีนี้สิ่งที่มันเกิดเป็นความกังวลเหล่าเนี่ยมันเกิดแล้วมันไม่สามารถที่จะทําให้เราปฏิบัติได้ดีได้จิตมันจะตกอย่างอาพาธปริพ o o t อาพาธบริพ o o t นี่โรคประจําตัวของเราเราไม่สบายเรื่องนั้นไม่สบายเรื่องนี้ไม่สบายเรื่องโน้น หรือความกังวลกลัวเช่นกขาบอกว่าในสัตชิกเนี่ยต้องต้องไม่นอนฉันจะไหวหรอไอ้ น, นี่ความคิดกังวลเหล่านี้เกิดขึ้นตอนเก้ามงเช้านะมันยังไม่ถึงตอนสองทุ่มสามทุ่มเลยยังไม่ถึงตอนเที่ยงคืนเลยนะไปนั่งกังวลอย่างนี้คืนนี้ฉันจะไหวไหมเนาะ <c oughs> เนี่ยก็เรียกอาพาธบริโภควงกังวลไปก่อนวิตกไปก่อนว่าเราจะไหวไหม นี่ปวดหลังอยู่นี่จะขืนนั่งไปนานๆมันจะไหวไหมปกติอยู่ที่บ้านนั่งเก้าอี้นี่วันนี้ต้องมานั่งสมาธิแบบนี้เลยมันจะไหวไหมนี่เขาเรียกอาพาธปาริพุทธกังวลอากังวลห่วงใหญ่ในเรื่องของความเจ็บความป่วยซึ่งก็ไม่ควรไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเกิดเพราะว่าปล่อยให้มันเกิดมันจะเกิดจิตเราจะจมจะจมอยู่กับความคิดนั้น มันก็ยากจะทําให้มันตื่นขึ้นมากับสติได้อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทําก่อนที่จะทําการภาวนาซึ่งเราจะต้องนั่นใดๆอย่างคันทะมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าคันทะปริโพจน์คันทะปริโพธน์นี่ก็คือการกังวลในเรื่องของการเรียนคันทะเนี่ยเรียกว่ากังวลในเรื่องของการศึกษากังวลของเรื่องการเรียนว่าเรา จะต้องไปเรียนนั่ น, ไ ป, น, น ون, ไปเรียนนู่นไปเรียนนี่หรือบางคนกังวลว่าเราเคยปฏิบัติสายโน้นมาสายนี้มามีความรู้มาอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราไม่มาปฏิบัติอย่างนี้แล้วไอ้ความรู้เราที่มีอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไอ้ความกันวนงวลเหล่านี้ก็ต้องต้องเคลียร์ออกไปอีกประการหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายก็เรียกว่าอิทธิปาิโพุน อิทธิปริพธดในคำปรีวิสุธิมาตันเขียนไว้ดีหน่าเอามาศึกษาอิทธิปริพธดก็หมายความว่าเราเคยธรรมสมิธมมาเคยทำสมาธิในแบบใดแบบหนึ่งมาจนกระทั่งเกิดความสำเร็จในการปฏิบัติทางทางใจบางอย่างแล้วมีความยึดติดลุ่มหลงในความสำเร็จอันนั้นได้ก็น้อมนำมันมา นามันมาเสร็จพอเข้าเข้าสอนสมาธิอย่างที่นี่เราจะเริญนอาณาพอเข้าให้นั่งอาณารู้ลมหายใจเนี่ยสัญญาคือความจาอุปท า, านคือความยึดในเรื่องของความสำเร็จที่ตนเองเคยเคยประสบมามันก็ออกมาออกมาไม่ทำอะไรหรอกมาเรียกว่าประทุสร้ายต่ออาณาของตนเอง ทำให้การปฏิบัติอาณานั้นดำเดินไปไม่ได้เรียกเกิดเป็นสนิมกัดกร่อนอาณาของตนเองไม่สามารถที่จะทำได้ไอ้นี่ก็เรียกว่าอิทธิปริพ o o ความกังวลเหล่านี้แหละกล่าวมาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติของเราทีนี้ <c oughs> นอกเหนือจากนั้นนอกจากสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้อง ทำอีกอย่างหนึ่งนอกจากการตัดบริพโยต์เหล่านั้นแล้วก็คือเรื่องก่อนการเข้าหากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในที่นี้เวลาเราเข้าปฏิบัติเราก็ต้องหมายถึงอาจารย์ผู้ให้คำมฐานอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้ฝึกฝนอาจารย์ผู้อบรมแต่มันก็มีวิธีดูเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอาจารย์แล้วมันจะใช้ได้ทั้งหมดนะ มันก็มีวิธีดูพระพุทธเจ้าสอนวิธีดูไว้ว่ า, วาควรออกมาเป็นกัลยาณมิตรไหมเช่นปิโยคะรุภาวานิโยปิโยคือเป็นที่รักคือมันมีความเมตตาพอที่จะเข้าใกล้ใจคะรุเป็นที่ควรแก่การเคารพไม่ทําตัวต่ํากว่าเราภาวานิโยควรเป็นที่จําเริญใจ มองแล้วก็เป็นที่จําเริญใจจําเริญตาอซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักในการดูกัลยาณมิตรเหมือนกันวัดตาเรียกว่าพูดเป็นอธิบายความไม่เข้าใจได้นั่นแหละเขาเรียกว่าวัดตาวัดจะนักคำโออดทนต่อคําพูดได้อดทนต่อคําพูดไ ด, ด, ด, ได้มันมีสองในยะนะในยะแรกหมายความว่าถ้าลูกติดถามญาติโยมถาม ก็อดทนต่อการฟังและที่จะตอบแต่ว่าไอ้ลูกญาติโยมนี่ก็ไม่ใช่ว่าพูดเวลาที่ไม่ควรพูดนะไม่อยากว่าพระกาลังนั่งพูดพูดพูดอยู่พูดแทรกขึ้นมาเฉยๆเรื่องอื่นนอกเรื่องอย่างเงี้ยแม้ เ, เรื่องเดียวกันแต่พูดเสียงดังกว่าพระอย่างนี้ก็มีหวังโดนมั่งเหมือนกันนะแต่แต่ท่านว่าวัจนคขาโบก็คืออดทนต่อการวังได้ ผู้ที่เราจะพิจารณาที่จะเข้าไปสู่เพื่อความเป็นกลายาณมิตรนต้องปิโยคือเข้าใกล้แล้วมันเป็นเป็ น, ป น, ปนคือน่ารักไม่น่ารังเกียจคารเป็นที่นาคารุภาวนาภาวะภา ว, าวจนิโยนี่ก็เป็นที่จำเริญใจเข้าใกล้แล้วเป็นที่จเจริญใจวัตตารู้จักพูดรู้จักอธิบายวัจนัคโโบเป็นผู้ที่อดทนอดทนต่อการฟัง คำพีรักกฐาวัตตาเป็นผู้ที่สามารถอธิบายข้อความได้ลึกซึง้งเอาสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นมาเพื่อทำพานตีเอกอธิบายให้เราสามารถเข้าใจได้อันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรกับเราซึ่งวันนี้พวกท่านก็จะต้องถูกบังคับให้มีกัลยาณมิตรต้องเลือกเอ่อ อีกอันหนึ่งคือไม่ชักจูงไปในทางที่เสียหายคือไม่ชักจูงเราออกไปจากนอกเส้นทางของการปฏิบัติขัดเกลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าพระพิจาสันว่ากัลยาณมิตรทีนี้อีกอันหนึ่งที่การปฏิบัติเขาเลือกเขาใช้กันก็คือการเลือกสถานที่การปฏิบัติสถานที่การปฏิบัติก็สำคัญแต่วันนี้พวกท่านไม่สามารถที่จะเลือกได้เพราะว่า ทางทีมงานก็เลือกไว้ให้แล้วถูกกำหนดหมดแล้วว่าชายสาลานี้เป็นที่ปฏิบัติเป็นหลักทั้งควังธรรมนั่งสมาธิและบริเวณเกตพุทธาวาสนี้เดี๋ยวปิดทั้งสองวันเลยมีแค่โบอุโบสถเมื่อถึงเวลาพระออกมาทำวัดนอกนั้นจะไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายก็มีแต่วพวกเราสถานที่เดินจงกรมเยอะมากมเยอะมากเหมือนนี้ก็ ขึ้นอยู่กับที่พวกเราแล้วแหละว่าจะเอากันยังไงนะที น, นี้เรื่องต่อมาคือเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของพิธีกรรมมันก็จะต้องมีบ้างเช่นการไหว้พระซึ่งมันดูเหมือนเหมือนไม่จําเป็นแต่ว่ามันก็จําเป็นเหมือนกันการไหว้พระบูชาพระรตะนาใจเหมือนที่เราว่ากันไปเมื่อตะกี้ต่อจากนี้ก็จะสมาทานศีล อยู่ในพิธีกรรมมันกันสมาทานศีลนั้นนอกจากเป็นพิธีกรรมแล้วมันเป็นกิจเบื้องต้นที่เราจะต้องทำวันนี้ศีลแปดใช่ไหมเป็นหลักเออทำไมเราจะต้องใช้ศีลเพราะว่าทําไม้ขึ้นต้นด้วยศีลเนี่ยก็เรียกถ้าภาษาใ ต, ใต้ก็อย่ามาอ้อรอ้อ คือถาไม่ถือศีลไม่รักษาศีลตัวให้บริสุทธิ์อย่ามาเที่ยวอ้อรอเดินอย่าอ้อรอนั่งภาษาไทยทําไปกันนั่นโขหกทั้งเพมันจะต้องขึ้นต้นด้วยศีลต้องทําศีลของตนให้บริสุทธิ์ทั้งศีลห้าและศีลแปดอา้าวทาไมต้อ ง, อ ง, องทําอย่างนั้นทำไมจะต้องทําอย่างนั้นมันเหมือนกับเออศีล น, นี่มันเป็นการขัดเกลวส่วนหยาบ ถ้าถ้าเป็นซักผ้าก็คือว่าซักไอสิ่งสกปรกหยาบหยาบที่มันเปื้อน อ, ออกไปก่อนแล้วค่อยไปทำการซักโดยละเอียดอีกทีหนึง่งถ้าไม่ได้ทาการซักโดยหยาบยานั่นออกไปก่อนเนี่ยการที่จะทาผ้าผืนนี้ให้มันสะอาดจริงๆได้มันยากก็เหมือนกันหรือเหมือนช่างไม้ได้ไม้มาท่อนหนึ่งจากป่า พอได้มาแล้วนี่ลักษณะของไม้มันหักหักงองอมีตุ่มขึ้นเกือบอ่าไปหมดเขาจะทําอย่างไรที่จะทําไม้ท่อนนี้ให้มาเป็นคันสอนให้มันมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ให้มันมาเป็นสิ่งใช้ของใช้ตามสิ่งที่เขาต้องการสิ่งแรกที่เขาจะต้องทําก็คือกําจัดพวกตุ่มพวกอะไรต่างๆพวกเปลือกพวกอะไรต่างๆที่มันติดอยู่ที่ไม้ ความหักงอของไม้ก็จะต้องเผาไฟลนดัดให้มันตรงเสียก่อนซึ่งการหักงอการดัดให้มันตรงก็ดีการถากตุ่มการปละทปอกเปลือกก็ดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมการเมื่อเท่าไม้นั้นตรงพร้อมแล้วมันจึงต้องใช้วิชาช่างเข้าไปเพื่อการที่จะทําการถากตัดดั ด, ด, ดเพื่อที่จะให้เป็นไปในตามรูปแบบที่เราต้องการใช้สอยอันนี้อย่างไร การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการที่เริ่มต้นศีลให้มีใจเข้าถึงในเนื้อของศีลข้อที่1มีใจเข้าถึงเนื้อศีลข้อที่สองมีใจเข้าถึงเนื้อศีลข้อที่สมีใจเข้าถึงเนื้อศีลข้อที่สมีใจเข้าถึงเนื้อศีลข้อที่ห้ามีใจเข้าถึงเนื้อศีลข้อที่6กมีใจเข้าถึงเนื้อศีลข้อที่7ดและมีใจเข้าถึงเนื้อศีลข้อที่8ใจหรือเจตนาที่เข้าถึงในเนื้อของศีลในสาระของศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นอะ มันเป็นการถากมันเป็นการขัดมันเป็นการดัดความหยาบของใจออกไปทันทีที่มีเจตนาลงไปในสู่ศีลข้อที่หนึ่งมันก็จ ะ, จ ะ, จ, ะจะทำหน้าที่ในการชำระทันทีมีการเจตนาลงไปศีลข้อที่สองมันก็จะมีการจัดการใจในส่วนนั้นทันทีทุกข้อทุกข้อทุกข้อทุกข้อพอทาอย่างนั้น มันเหมือนกับว่าเราเอาผ้าไปซักน้ําเปล่าเออซักน้ําเปล่าซักซักซักักซักซักเพื่อกําราบอสิ่งสกปรกหยาบหยาบออกไปก่อนเวลาเราจะไปลงมือซักจริงใส่ผงซักฟอกในน้ําที่สองเนี่ยผงซักฟอกมันก็จะแทรกซึมเข้าไปสู่ในเนื้อผ้ากําจัดสิ่งสกปรกที่ละเอียดละเอียดได้อันนี้ก็เหมือนกันแหละ ใจก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ตั้งต้นด้วยศีลท่านว่านั่งไงตายก็ไม่ขึ้นทำอย่างไรก็ไม่สามารถเกิดได้ซึ่งข้อนี้ก็เรียกว่ า, เ ร, าเรียกท่านเรียกทั้งท่านว่าสมาทานนะศีล ส, ส่วนนี้เรียกว่าสมาทานถือสมาทานแต่ว่าถือเอาด้วยดีถือเอาด้วยดีนี่ถืออย่างไรก็มีใจลงไปถึงในเนื้อหาของศีลข้อที่หนึ่ง มีใจลงเข้าไปถึงในเนื้อของศีลข้อที่สองใจสามารถที่จะสัมผัสรับรู้ได้ในศีลข้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าใจมันมีเจตนาเข้าไปสัมผัสรับรู้ศีลแต่ละข้อได้เนี่ยนั่นเรียกว่าศีล น, นั้นมีผลต่อใจของเราแต่พอพระว่าปาณาธิปาตาเวรมณนิทิก า, า, ทาปาทหังสมาธิยามิ เราก็ว่าปานาติปาตาเวรัมณิธิขาปะทังสมาธิานิมิสักแต่ว่าว่าอย่างนี้มีไม่มีจิตนาไม่มีใจลงเข้าไปถึงในเนื้อหาของศีลความเป็นศีลก็ไม่เกิดความเป็นศีลก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สำคัญสำคัญมากเหมือนกันโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้เกินเรื่องของศีลว่าสี่เลนะสุกติยันติผู้ที่ถึงศีลแล้วเนี่ย ชีวิตจะไม่ไปสู่ทุกขติหมายความว่าการทิศทางของชีวิตนี่จะดำเดินไปด้วยดีสุขติเนี่ว่าเดินไปดีดำเดินไป ด, ด, ด, ไปดีไม่มีเสียหายเลยซีเลนโภกัสัมปธาจะไม่เดือดร้อนด้วยโภคทรัพย์จะกินจะใช้อะไรต่างๆมันก็นจะมีความสุขอิ่มใจ ที่สำคัญท่านว่าสีเลนนิพผู้ติงยันติเีนนี่แหละที่จะให้ถึงซึ่งความสหบเย็นที่ชื่อว่าดิพานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องสมาทานศีลหลังจากเราสมาทานศีนเรียบร้อยในการปฏิบัติในส่วนของพิธีกรรมเนี่ยเเรียกว่าจะต้องมีการจะสมาทานกรรมฐาน ซึ่งก็จะต่อจากลำดับของสมาทานศีลสมาทานศีลนั้นคือซักน้ําเปล่าฮะซักน้ําเปล่าเพราะตอนสมาทานกรรมฐานนี่กําลังจะลงผงซักฟอกอเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราไหว้พระแล้วลําดับต่อไปก็อายรัตนาศีลพร้อมกันศีลแปดนะแนะนําให้ถือศีลแปด วันนี้เราก็เข้าสู่การปฏิบัติอาณาปานสติก็จะพูดสักสิบห้านาทีก่อนเข้าการปฏิบัตินะ <c oughs> เราตอนนี้มีความเชื่อกันแล้วแหละว่าต้องปฏิบัติธรรมแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันมีหลายอย่าง มันมีหลายแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้มีมากมีมากมากจนถึงขนาดที่ว่าเอาไม่อยู่แล้วนี่ลาสุดสองสามสำนักอยู่ๆก็ประกาศมาเป็นพระศรีอริยาเบตรายแล้วก็พาผู้คนไปร่วมกันปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเหมือนกัน ทำอะไรไม่ได้ต่อมาก็มีการประกาศว่าเป็นพระอริยะบุคคลแล้วแล้วก็เป็นพระอริยะบุคคลกันหมดนุ่งผ้าหลากสีเต้นกันสนุกสนานใช้การปฏิบัติ ด, ด้วยวิธีการดำน้ำเออคือต่างคนต่างก็ว่ากันไปนะแล้วมันจะเลอะเทอะไปกันใหญ่มันจะเลอะเทอะไปกันใหญ่ เพราะว่าพอยิ่งมันนานเข้านานเข้ามันก็กลายเป็นการปฏิบัติในรูปแบบของอาจารย์เป็นส่วนมากคนที่เข้าปฏิบัติก็ยึดอยู่กับอาจารย์อย่างเดียวไม่สัมผัสถึงพระพุทธเจ้านี่แหละมันจึงเรียกว่าการปฏิบัติทําเลอะเทอะเหมือนอาณาปานสติก็เหมือนกันใช้วิธีการปฏิบัติกันเยอะมาก เดี๋ยวก็ใช anyway, ้เทคนิคนั้นเข้ามาช่วยใช้เทคนิคนี้เข้ามาช่วยใช้อันน้นเข้ามาช่วยใช้อันนี้เข้ามาช่วยคือทําไปทํามามันยากกว่าของพระพุทธเจ้านะแต่ว่ามันสนุกคมันเพลิดเพลินมันสนุกแต่มันยากกว่าของพระพุทธเจ้าเพราะของพระพุทธเจ้านี่มันง่ายพอมันง่ายๆอะไรง่ายๆแล้วมันทําไม่สนุก ยิ่งพระพุทธเจ้าจัดไว้เป็นลำดับบอกถึงผลของมันไว้ด้วยใจก็มุ่งที่ผลของมันทีนี้พอทําง่ายๆทําทแล้วใจมันก็ยังอยากได้แต่ผลเหตุอนันสมควรแก่การที่จะได้รับผลนั้นไม่เกิดขึ้นเราก็เลยไม่ได้พมไม่ได้เราก็ว่ายากแต่พระพุทธเจ้ากว่าจะรู้วิธีนี้นะสี่อสงไขก่กระแสนับ ก่จะรู้เราก็ลก็อกกุญแจบ้านเดินออกจากบ้านมาจะทำสีห้านาทีให้มันรู้เหมือนที่พระพุทธเจ้ารู้เชียวนั้นเลยพอไม่ได้เขาบอกที่นี่มันทำอย่างนี้นั้นได้อย่างนี้นะและรายเป็นลำดับเลยบางสำนักบอกว่าหอมม้วนเป็นพระธาตุโอ้โห บางสำนักก็บอกอย่างนี damage, pues. nope. right. mm. um ้อย sí. ่างนี้อ MM ย่างนี้บางสำนักก็บอกอย่างนี้อย่างนี้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนน่ะคือบอกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแล้วเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติคนปฏิบัติก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติและกระทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่กระทําไปในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็กลายเป็นไปประทุษร้ายต่อคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็บอกว่าปฏิบัติแล้วได้ปฏิบัติแล้วได้ปฏิบัติแล้วได้ไดอย่างนั้นได้อย่างนี้ดับอันนั้นได้ดับอันนี้ได้ดับอันนี้ได้พอกลับไปถึงบ้านก็ทะเลาะ ก, กันเหมือนเดิมพอไปถึงที่ทํางานก็ฟ้องแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันเหมือนเดิมตั้งใจที่จะทําอกุศลก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรแปลเปลี่ยนมักทั้งแปดไม่มีตัวไหนที่จะเริญขึ้นมาและทําให้นิสัยสันดานของตนเปลี่ยนไป แต่ตนก็เชื่อมั่นว่าตนได้ชั้นนั้นแล้วได้ชั้นนี้แล้วได้ชั้นนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้มันนอกมันนอกจากคำสอนของพระเจ้ามันก็เลยจะต้องทําความเข้าใจกันไว้ในเรื่องของอานาปาณสติมันตรงมากสติสติมันก็คืออะไรระลึกพูดในตรงกับภาษาไทยคือนึกคำว่านึกเนี่ยเข้าใจไหมภาษาบาลีบราลึก อนุสริตาอระลึกไปนึกระลึกสิ่งที่ผ่านมาแล้วระลึกในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นระลึกไปในขณะก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดในคําว่าระลึกถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงความหมายของบรรได้ก็เอาคําภาษาไทยคําเดียวนึกเข้าใจไหมทีนี้นึกนั่นคือสตินึก อานาปานาสตินึกไปที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเนี่ยด้วยความภาษาไทยยากไหมอ่ะเ <hir> มื่อใดที่เราหายใจออกเรานึกไปที่ลมหายใจออกพอเราหายใจเข้าเรานึกไปที่ลมหายใจเข้าพอลมหายใจออกเรานึกไปที่ลมหายใจออกได้หนึ่งครั้งเรียกว่ามีสติหนึ่งครั้งของการหายใจออก นึกไปตีลมหายใจเข้าได้หนึ่งครั้งก็เรียกกับมีสติหนึ่งครั้งของการหายใจเข้าเราพยายามที่จะทําสิ่งที่ชื่อว่าธรรมะไม่ว่าจะเป็นสติหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรหละ่ะให้มันเป็นสิ่งลึกลับอัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่จะต้องโอ้แท้ที่จริงอะเรามีทุกคนมีหมดจิตใจของเราจะต้องมอีการเคลื่อนไหวของใจของชีวิตเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลักสําคัญสามประการ หนึ่งคือตัวความเพียนนะเรียกว่าวายามะความเพียนตัวที่สองคือตัวสติตัวที่สามคือตัวสมาธิไม่มีใจไหนไม่มีหรอกใจทุกคนจะต้องมีสามอย่างนี้คือวายามะที่ชื่อว่าความเพียนสติเนี่ยคือความนึกความระลึกแล้วก็สมาธิคือความตั้งมัน่นความตั้งใจมัน่นไม่มีสามอย่างนี้ไม่เป็นใจแน่นอนเลยวายามะคือความเพียนอะไร เป็นเครื่องมือในการที่ทำให้ใจเกิดการเคลื่อนไหวถ้าไม่มีวายามะใจมันไม่เคลื่อนนะใจไม่เคลื่อนไหวใจไม่ทำงานด้า น, นการที่ใจมันเคลื่อนไหวใจที่ใจของเรามันทำงานเนี่ยมันเป็นวายามะมันเป็นความเพียรตลอดแต่ว่ามันจะเป็นมิจฉาวายามะหรือเป็นสัมมาวายามะ แต่ธรรมชาติที่ชื่อว่าวายามะคือความเพียรมีอยู่ที่ใจทุกใจมีทุกใจแหละถ้ามันไม่มีวายามะไม่มีความเพียนใจไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าใจไม่เคลื่อนไหวเอาตัวสติคือความนึกความระลึกถ้ามันไม่มีความระลึกไม่มีความนึก ใจก็แม้เพียนไปก็ไม่สามารถที่จะให้สาเร็จการใดๆได้ไดไดนิสมาธิคือความตั้งมัน่นถ้าใจไม่ตั้งมัน่นแม้มีเพียนมีระลึกแต่มันไม่มีความตั้งมัน่นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้สามอย่างนี้มันเป็นลักษณะสำคัญของใจทุกดวงหมายถึว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้มีสามอย่างนี้เหมือนกันหมดงนั้นทุกๆ ก, การกระทา ธุกิจที่เรารับผิดชอบมันจะเคลื่อนไหวสำเร็จขึ้นมาได้จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญสามอย่างนี้เรียกว่าเพียรสติและสมาธิเหมือนเราลูกโคจับโคตัวหนึ่งเอาเชือกไปผูกแล้วก็ตอกไว้ที่หลักมันมีสิ่งที่ประกอบอยู่สามคันสำคัญสำคั ญ, ส า, คญสามประการ คือโคเชือกแล้วก็หลักพอผูกใหม่ๆโคนั้นก็ดิน้นเชือกมันก็คอยไงคอยดึงคอยรั้งไว้เชือกคอยดึงโคคอยรั้งโคไว้ไม่ให้หายไปจากหลักถ้าไม่มีเชือกโคไปไงตะเหลือด เชือกจะคอยทำหน้าที่ดึงรั้งโคไว้ไม่ให้ออกไปจากหลักเมื่อมันดิ้นออกไปจากหลักได้ไ ม, ไม่ได้ในที่สุดมันก็จะเข้ามาหมอบอยู่แทบๆทบหลักนั่นแหละส่วนหลักนั่นแหละคือความตั้งมัน่นเชือกคือความคือสติเห็น ไ, ไหมฉะั้นสติโคที่ดิ้นไปดิ้นมานั่นคือมันคือความเพียร สติมันจะทำหน้าที่ดึงรัง้งไอ้ความนึกของเราเนี่ยมันทำหน้าที่ดึงรัง้งอ้าวทีนี้เราขังกลับมาสู่อนาปานาสติง่ายๆเลยทีนี้พอจะเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจไหมทีนี้เราเข้ามาสู่อนาปานาสติอนาปานาสติคือให้สติทำหน้าที่ดึงรั้งจิตว้ายให้อยู่กับ อะไรลมหายใจอพอมันออกไปสติก็ต้องทำไมดึงรังกลับมาอยู่ที่ลมหายใจพันออกไปดึงรังกลับมาอยู่ที่ลมหายใจพอออกไปก็ดึงรังกลับมาอยู่ที่ลมหายใจถ้าเราไม่ดึงหลุดออกไปหมกมุ่นจุ่มแช่ปรุงแต่งไปเรื่อยก็เหมือนโคหลุดจาก เชือกเหมือนโคที่หลุดจากเชือกเพราะนั้นการทำอนาปานสตินี่มันง่ายมากสิ่งที่ได้คืออะไรสิ่งที่ได้ก็คือโคมจะเชื่องเชื่องแล้วมันไม่ไปไหนแล้วมันก็จะอยู่ตรงหลักนั้นแหละพอมันเชื่องเสร็จแล้วเราปล่อยไม่ต้องเอาไปผูกมันแล้วใช่ไหมปล่อยมันก็ไปไหนมันไม่ไปไหนแล้วมันไม่ไปไหนแล้วพอมันไม่ไปไหนแล้วเนี่ย ไอ้สติไม่ต้องไปดึงไปรั้งอะไรอีกแล้วทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นดูโคตัวนี้ก็จะถูกดูอะไรเป็นตัวดูตัวที่จะสามารถดูได้คือตัวกำลังของสมาธิอืมเราก็ทำหน้าดูมันอย่างเดียวดูมัน มันอยู่ที่หลักมันเดินไปตรงนั้นเดี๋ยวมันเดินไปตรงนี้เดี๋ยวมันกินตรงนั้นเดี๋ยวมันนอนตรงนั้นเดี๋ยวมันนอนตรงนั้นดูมันอย่างเดียวตามความเป็นจริงที่มันปรากฏตัวดูคือตัวสมาธิกําลังของสมาธิไม่มีไม่สามารถที่จะดูได้เหมือนเราฝึกโคถ้าเราผูกมันไว้ที่หลักแค่ใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยมันก็หนีไปเหมือนเดิมเราก็จะต้องทํามันจนเชื่องพอเชื่องแล้วมันจะสร้างหบ เพราะการเจริญอานาปานาสตินั้นจะมีการสหุปเป็นชั้นๆเราลงมือนึกถึงลมหายใจไม่มีใครหรอกที่นึกถึงลมหายใจแล้วเรียกว่าทำอานาแล้วจิตใจไม่เปลี่ยนไม่มีสิ่งแรกเลย อ, อย่างในหลักของอานาที่จะปฏิบัติในการเตรียมการสามขั้นตอนนั่งกู้บัลลังตั้งกายให้ตรง ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าแค่เนี้ยพอเราทํำแค่นี้ในขั้นเตรียมการอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องสหบและดับไปคืออะไร<ม>แค่ทาอย่างนี้จะเกิดการสงบและดับไปคืออะไรรู้ปะว่าวจะอ้ะวาวสหบไหม นั่งคูบาลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหนะ้ารู้สึกกับลมหายใจออกรู้สึกกับลมหายใจเข้าสิ่งที่หายไปคือวาจาอันท่านจึงกล่าวว่าอะไรท่านจึงกล่าวว่าเมื่อเข้าสมาธิแล้ววาจานิรุธาหูติวาจาดับ อา้าวต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเือยือยืยเยะไรดับต่อ mm hmm. อะไรดับอีกจิตที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะดับไปเรื่อยๆนะวาจานิรุธาโหติอา้าววิตตกาจะวิตกจะวิตวตกโกจะวิจารโรจะนิรุธาโหติหลังจากนั้นวิตกวิจารดับก็คือความคิดดับ <c oughs> เอาเข้าไปเรื่อยๆนะเข้าไปเรื่อยๆอะไรดับ อ, อะไรดับปีติจะสุขโคจะนิรุธาโคติปิติกับสุขก็จะดับความเปลี่ยนแปลงทางใจเอา้าเข้าไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดต่อเนื่องไปเรื่อยต่อไปอะไรดับฮะฮะ อะไรดับล่ะอัตสาสะปัศสาสาอัตสาสะปัสาสะนี่อัตนสาสะปัตสาสานี่รุธาติลมหายใจเข้าลมหายใจออกดับไปไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกดับคืออะไรเราเคย ปฏิบัติรู้กันมาแล้วในครั้งหนึ่งที่เราเคยปฏิบัติเรื่องรู้ลมหายใจหยุดนี่ล่ะอ อ, อ, อย่าเพิ่งถามฟังไปเรื่อยๆอยู่ให้ครบคอทีนี้พอลมหายใจเข้าลมหายใจออกดับต่อไปถ้าไม่หยุดปฏบิบัติไปเรื่อยๆอะไรฮะสัญญาเวทยย ตังนิรุตทางโหติสัญญาและเวทนาดับอย่าหยุด <c oughs> ไงล่ะอย่าหยุดต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอะไรดับราคโคจะโทโซจะโบโฮจะนิรนิรุรธทธา พุติราคะโทสะโมหะดับสุดท้ายยังสุดท้ายแล้วมันก็รู้ลมหายใจเนี่ยไล่ลำดับต่อเนื่องไปเลยๆแต่ครั้งแรกเลยอะไรดับวาจาดับทีนี้ไอ้พวกที่วาจาไม่ดับเพราะมันไม่ได้เข้า สมาธิใช่ไหมล่ะที่วาจาไม่ได้มาพราะมันเรีกข้าสมาธิเพื่อนก็นั่งคูยบันหลังตั้งกายง่ายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าหายใจรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าตัวเองนั่งคุยจกแๆ๊จกแจ๊ได้เข้าสมาธิป่าไม่ได้เข้ามันแค่เริ่มเข้าสมาธิปั๊บดับยังดับทันทีเลยดับวาจาทันทีเลย เราก็เข้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการรู้ลงหมายใจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีพอลึกสูงไปกว่านั้นเวลาวาจามันดับคือการเข้าสู่อุปจา ร, รสมาธิ และอัปปนาสมาธิคืออะไรคือมันเกิดเป็นองค์ของสมาธิที่มันมีวิตกวิจาณปิติสุขและเอกาขคตาทันทีตรงนี้เรียกว่าวาจามันดับพระพุทธเจ้าท่านในตัดเป็นบาลีวาปัธรรมะชัดตังสมาปั น, นัสสะ วาจานิรุทธาโหติผู้เข้าสู่ปฐมฌานวาจาดับหลังจากนั้นตรีทุติยาชกทุติยาชานกคังสมาปันนัสสะวิตตโกจะวิจารุจะนิรุทธาโหติผู้เข้าสู่ทุติยาชาณ วิตุวิจาร์ดับอันนี้ในระดับที่เข้าไปสู่องค์กรสมาธิของมันเต็มๆแล้วแต่เราแรกเข้าปั๊บเนี่ยว่าจะดับดับทันทีไหมไอ้ที่ไม่ดับเราก็แย่แล้วนั่งสมาธิอยู่มันจะคุยกับใครได้อะถูกไหมใช่เปล่าไอนี่ก็ว่ากันไปย้ำลึกๆ ก, กัไปแต่ตอนนี้ให้รู้ไว้ว่าเมื่อรู้ลมหายใจใจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที ทีนี้ใจเรามีธรรมชาติที่เคลื่อนไหวอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่ากิเลสชาติอย่างหนึ่งเรียกว่าคุณชาติสิ่งที่เราจะต้องใช้ให้ชีวิตเคลื่อนไหวอย่างมีคุณภาพก็คือสิ่งที่เป็นคุณชาติส่วนที่มันเคลื่อนไหวแล้วทำให้ชีวิตเราย่ำแย่คือส่วนที่เป็นกิเลสชาติเรามักจะพูดว่า ไอการที่จะไม่ไปตามเตือนตามกิเลสชาติมันจะเป็นไปได้อย่างไรไม่รู้ละ่ะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่ที่แน่ๆคุณแย่แน่ๆถ้าคุณไปตามอำนาจของกิเลสชาติแต่ในใจของเรามีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเรื่องชื่อคุณชาติมันสามารถที่จะให้เราดําเดินตามธรรมชาตินั้นได้เอาจากหลักการอะไรจากหลักการที่ว่าใจทุกใจมีสติมีความเพียรมีสมาธิ เราก็แค่และพระพุทธเจ้าใช้เวลาเสียสงไข่กับแสนกาบถึงบอกไงคนพบว่าปรับความเพียรให้มันเป็นความเพียรที่ถูกต้องปรับสติให้มันเป็นสติที่ถูกต้องปรับสมาธิให้มันเป็นสมาธิที่ถูกต้องเมื่อความเพียร ส, สติและสมาธิ เป็นสิ่งที่ดําเนินการอย่างถูกต้องแล้วมันจะพาใจทั้งใจดําเนินไปตามคุณชาติอืมมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันเป็นเรื่องจริงแล้วไอ้เรื่องเรื่องที่เราบอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไม่ได้ไม่รู้แต่ผลของมันน่ะทุกคนไม่เอาเป็นไปได้เหรอไม่ดําเนินตามของกิเลสชาติอะไม่รู้เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่ผลของมันน่ะ เธอก็ไม่เอาคุณก็ไม่เอามึงก็ไม่เอากูก็ไม่เอาด้วยใครก็ไม่เอาเอาไหมผลของการเียดผลของการห้ำหั่นของกิเลสเอาไหมเอาเปล่าเอาไม่ผลมันน่ะเออไม่มีใครเอาแต่มาบอกว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเออสรุปความแล้วเป็นไงเมื่อผลมันไม่เอาเราต้องทำยังไง จิตใจเนี่ยฟุ้งซ่านกวัดแกวงหอเฮียวหดคูเอาไหมไม่เอาเอาเอเขาบอกว่าก็อย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปกวัดแวงอย่าไปหอเฮียวอย่าไปหดคูสิเอาไหมเอาแล้วทำยังไงอ่ะใช่ปะ่ะเออลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่าง ลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติด้วยกันในในคอร์สนี้ระยะเวลาสองวันกับหนึ่งคืนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่กับลมหายใจแต่ว่าจะเสนอคำพูดสองสองคำให้พวกเราได้ฟังเพื่อง่ายนะให้มันง่ายเมื่อกี้พูดเรื่องปาริโพสดูว่ามันเข้าใจแหละแต่มัน กว้างไปเอาง่ายๆก็คือว่าดูชีวิตตัวเองให้มันเป็นปัจจุบันในขณะ น, นี้ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรมีแค่สิ่งที่เป็นรูปกับสิ่งที่เป็นนามคือกายกับใจถ้ามันมองกายกับใจแล้วมันไม่เข้าไม่ถึงอีกไอ้มองแค่ชีวิตว่าชีวิตที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันมีอยู่เท่านี้ มันไม่มีข้างหน้ามันไม่มีข้างหลังมันมีอยู่ตรงนี้ที่มันประกอบด้วยกายและใจกายและใจเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อนะชื่อตัดออกไปนามสกุลตัดออกไปฐานะตัดออกไปความร่ำรวยตัดออกไปความสวยความหล่อตัดออกไปสิ่งทั้งหลายที่มันผูกอยู่กับรูปเนี่ยตัดออกตัดออกตัดออกตัดออกตัดออกให้มันเหลือแต่รูปแท้พอเหลือแต่รูปแท้เราเรียกว่ารูปปรมตษ นามใจนี้ก็เหมือนกันตัดไปเรื่องอดีตรเรื่องอนาคตเรื่องความปรารถนาทั้งหลายตัดเอกไปเลยให้มันคงเหลือแต่ใจที่อยู่กับกายประกอบเป็นชีวิตใจนี้เท่านั้นใจจึงเป็นนามปรมาทิตย์ให้มันเป็นรูปเป็นนามแท้ๆอย่างเนี้ย เ, ออเวลาเราไปนั่งกลางวลนถึงเรื่องงานที่บ้านนั่นหมายความว่าอะไรเราหลงในรูปหยาบแล้วปฏิบัติยาก นั่งนั่งอยู่โอ้ยเมื่อยเมื่อไรหลวงพ่อจะเลิกจะตีเอม่อยเมือม่อยเ ม, ม, ม, มเนี่ยเราหลงในรูปหยาบหลงในรูปหยาบแล้วแล้วถ้ามันเมื่อยขึ้นมาทําไงอ่ะไม่ชื่อว่าหลงในรูปหยาบเมื่อยขึ้นมาโอยกายนี้ช่างเป็นก้อนของทุกข์จริงๆหนอนั่งฟังหลวงพ่อพูดแป๊บเดียวมันก็สแสดงอาการปวดของมาแล้วนี่ตอนนี้มันปวดอยู่ที่เขา่าเน็บอยู่ที่เท้า ปวดอยู่ที่ก้นกบเน็บอยู่ที่ไร่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โอ้มันไม่มีอะไรเลยนี่มันเป็นเพียงแค่ก้อนของทุกก้อนหนึ่งที่ตั้งอยู่จริงจรงิอย่างนี้มองกบไปอย่างนี้ก็จะเห็นกายเป็นปรามัดการเห็นอย่างนี้เท่ากับอะไรเท่ากับดึงจิตออกมาอืมดูกายตามความเป็นจริงถ้าเรากล้าพอที่จะ ปรับความรู้สึกของเรานะ่ะให้มันมองความเป็นจริงแบบนี้มันจะทำให้เราง่ายง่ายต่ออะไรให้ต่อการเจริญอาณาปานสติมากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดไปประทุสร้ายอาณาของเราและอาณาของเราที่ต่อเนื่องไปจะทำให้เกิดเป็นกําลังของสมาธิกําลังของสมาธิที่ตั้งมั่นนั้นจะยิ่งเพิ่มกาลังในการมองสิ่งเหล่านี้ ตามความเป็นจริงได้ดีชัดเจนสว่างยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งเพิ่มกำลังของสมาธิเข้าไปเพราะฉะนั้นโปรดใช้เวลาที่เรามีกันในสองวันหนึ่งคืนจากนี้ไปเนี่ยตั้งใจภาวนาอนาปานนติเต็มที่ทามันให้เต็มที่ รู้ไปจงๆงรู้ลมหายใจเนี่ยรู้ไปจงจง <c oughs> เหมือนเรามองไอเนี่ยแล้วก็รู้มันจงๆงพูดอะไรจรงๆงอย่างนี้ลมหายใจก็เหมือนกันถ้าว่ามันมันก็ไม่ค่อยรู้ก็ไม่ค่อยรู้ก็เราทำให้มันรู้บริหารจัดการรับหายใจเข้าหายห้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่ารู้สึกกับลมหายใจแล้วออกและปล่อยลมหายใจออกมาแล้วน้อมจิตเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจนั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่วิ่งตามลมหายใจแล้วก็ไม่รู้ลมหายใจหลายเรื่องไม่รู้หลายอย่างต่อลมหายใจถ้าเราวิ่งตามลมหายใจพอหายใจเข้าปับ๊บเราเริ่มต้นจากจมูกเหไหมพอหายใจเขา้าเราวิ่งตามไปปับ๊บถึงดินปีวิ่งตามไปอีกทีถึงท้องกลายเป็นกี่จุดกี่จุดสามจุดใช่ไหม เริ่มต้นจากตรงนี้ทําเป็นวิ่งตามไปที่หน้า อ, อกแล้วตามไปอีกทีหนึ่งที่ท้องสามจุดแสดงว่าจิตจะต้องน้อมเข้าไปสู่อารมณ์กี่อารมณ์สามอารมณ์เป็นภาระกับอานาไหเราว่าเราทําดีแต่เรประทุษร้ายอานาของเราเพราะอานานั้นคือรู้จุดที่กระทบ ถ้าอย่างนี้อย่างนี้ดูดูดูวา่าตรงนี้ลมเข้าไอ้ลมออกมันออกมาใช่ไหมมันผ่านเรารู้ตรงเนี้ยพอลมเข้ามาดูลมเข้าเรารู้ตรงนี้เรารู้ตรงนี้ลมออกอย่างไรรู้หมดลมเข้าอย่างไรรู้หมดเข้าใจป่ะแต่ถ้าเราวิ่งตามวิ่งตามไป วิ่งตามไปมันจะวุ่นวายต่ออานาของเราเพราะฉะนั้นเวลาเวลารู้ต่ออานาเนี่ยท่านสอนถึงเรื่องอุปปกเลสของอานาคือเมื่อหายใจออกไม่กังวลว่าลมที่กําลังไหลออกมานั้นมาจากไหนไม่กังวลว่าลมที่ออกไปนั้นไปที่ใดเข้าแล้วจะไปไหน ออกแล้วไปไหนลมที่เข้ามาจากไหนลมที่ออกมาจากไหนไม่มีความกังวลอย่างนั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าให้เฝ้ารู้อยู่จุดที่กระทบที่เรารู้สึกได้พูดภาษาไทยง่ายๆแค่นเนี้มันจะเข้าใจได้ไม่ยากแล้วว่าที่เรารู้สึกได้มันอยู่บริเวณนี้ที่ลมมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกตามความเป็นจริงคือมันผ่านทางช่องจมกูกแล้วลมเราเนี่ยนี่ก็พูดทุกครั้งเวลานําปฏิบัติก็คือว่ามันไปไม่ถึงท้อง เวลาเราไปกาหนดที่ท้องนั่นคือกำหนดกายไม่ใช่อาณาเวลาเราหายใจเข้าเราทาท้องให้มันพองอันนีไ้ไม่ไม่ไม่ได้ไปว่าการปฏิบัติสายอื่นนะเราต้องการอธิบายอาาให้ชัดเท่านั้นเองเวลาเราหายใจเข้าเราก็คำทำท้องให้มันพองๆขึ้นแล้วไปไปกาหนดรู้ท้องที่มันพองนี่รู้อะไรรู้กายหรืรู้ลม ฮ huh? รู้กายเออรู้กายก็รู้กายไปทีอย่าบอกว่าอานาแต่ถ้าอานาไม่ใช่อานาไม่ใช่แล้วท้องนี้ถ้ากาหนดเท่านั้นจึงจะรู้ถ้าไม่กาหนดเราก็ไม่สามารถรู้เพราะท้องมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะพองขึ้นมาตามธรรมชาติแต่ลมหายใจไม่เหมือนกัน เห็นไหมเลมหายใจไม่เหมือนกันเราจะกําหนดหรือไม่กําหนดลมหายใจมันทํางานอยู่ไหมทํางานอยู่แต่แรกเริ่มเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าปัญชาณตาิปัญชาณตาิแปลว่ากําหนดรู้นั่นแหละรู้ทั่วรู้รู้ทั่วก็คือกําหนดรู้ก่อนเพราะก่อนที่เราจะทําอานาเราไปคิดเรื่องนั่นรู้เรื่องนี้รู้เรื่องโน้นอตอนนี้นั่งคูบัลลังตั้งกายให้ตรงดํารงสติอยู่เฉพาะหนา้าหลังจากนั้น เตรียมการเพื่อที่จะรู้ลมหายใจเวลาเราจะรู้ลมหายใจเนี่ยถ้าเราจะรู้ลมหายใจออกมันต้องหยุดการหายใจก่อนแล้วก็หายใจเข้าเข้าไปแล้วหายใจออกออกมาไอการกระทำอย่างนี้เรียกว่าการกาหนดกํากหนดเพื่อให้ลมหายใจนั้นมันตั้งต้นเดินในสิ่งที่เราจะรู้สึกได้พระเจ้าเลยใช้ว่าประชานาติกาหนดรู้ไปรู้ไป รู้ตัวที่ตั้งที่กำหนดเขาไปเพื่อรู้นั่นแหละพอเขามีกำลังเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นมาการกำหนดก็จะเบาตัวลงไปรู้จะแข็งแรงขึ LLC, ้นมาการกำหนดก็จะเบาตัวลงไปพอรู้ที่แข็งแรงการกำหนดเบาตัวลงไปมันจะแสดงออกมาทางไหนมันแสดงออกมาในทางที่ว่าจิตรู้จะเดินออกมาจากลมหายใจเพราะฉะนั้นเมื่อลมหายใจออกสุดร่างกายไม่ได้หายใจเข้าจังหวะนั้นลมหายใจหยุด จิตรู้ก็จะเห็นลมหายใจหยุดเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าจิตมันก็จะเห็นไอรู้ก็จะเห็นลมหายใจเข้าตามธรรมชาติของกายเมื่อร่างกายหายใจออกจิตรู้ก็จะเห็นลมหายใจออกตามธรรมชาติของกายแล้วลมหายใจมันหยุดคือร่างกายไม่ได้หายใจมันหยุดการหายใจไปจิตรู้ก็จะรู้จังหวะที่ลมหายใจนั้นหยุด การที่รู้ไปรู้เห็นลมหายใจหยุดตรงนี้แหละที่ตมาเรียกว่าอัศสาะศาปัสสศ า, ศานิรุ t าห g ติลมหายใจดับ <S <S เพราะฉะนั้นลมหายใจเนื่องจากลมหายใจเรามันมีออกมีข้าวมีหยุดใช่ไหมมีออกมีข้าวมีหยุดเราเริ่มต้นเลย เรากำหนดรู้ลมออกลมข้าวก่อนหลังจากนั้นเราไม่ต้องกำหนดเราก็รู้ได้ว่าลมออกเป็นอย่างไรลมข้าวเป็นอย่างไรเราสามารถเห็นโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดมันแต่ลมหายใจมันมีสามเรื่องอะออกข้าวแล้วก็หยุดหลังจากนั้นเห็นอย่างนั้นจิตเดียวมาต่อไปมันจะเห็นลมหยุดเป็นธรรมชาติของกายที่มันเกิดเป็นปกติอยู่แล้ว จิตรู้เดินออกมาเห็นลมออกลมเข้าเป็นธรรมชาติเห็นลมหยุดเป็นธรรมชาติมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทีนี้มันมีจิตจิตรู้ที่ว่าเนี่ยมันมีสติอยู่เรารู้ตัวอยู่อย่างนี้เราเห็นลมหายใจออกเราเห็นลมหายใจเข้าและเราเห็นลมหายใจหยุดจังหวะนั้นรู้เราจะอยู่กับอะไรรู้เราก็จะอยู่กับความนิ่งและอุเบกขาที่มันปรากฏ นิ่งมีความมีมีอุเบกขาเป็นอารมณ์มีอุเบกขาเป็นอารมณ์จังหวะนั้นแหละเรียกว่าลมหายใจมันดับจังหวะนั้นเรียกว่าลมหายใจหยุดนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางใจของเราแล้วอันนี้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมถ้าทําบ่อยๆทำวันจดการจํานี้จำนาญแล้วไปอยู่ในอยู่ในชีวิตประจําวันได้สบายใช้ได้สบายเลย เวลาไปในชีวิตประจาวันอะไรจะตามเราออกไปคือตัวอุบกขาความนิ่งนั่นแหละเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทําส่งผลต่อเราอย่างไรมันจะส่งผลต่อเราอย่างเราตส่งผลต่อเราก็คือว่าทาการปรุงแต่งจากการกระทบนั้นได้ยากขึ้นปรุงแต่งจากการกระทบได้ยากขึ้นเช่นขับรถอยู่บนถนนรถติดพอพอเริ่มรถร่นติดแต่เดิมพอรถเริ่มติด เกิดสภาพทำรถติดเกิดขึ้นเราก็รอใช่ไหมเกิดการเบื่อเกิดการหุดหงิดเกิดการงุ่นงานเกิดกลบไปเรื่อยๆเลยเลยเลยยยเเลยไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อกําลังของอุเบกขาอันเกิดขึ้นจากการที่จิตรู้อยู่กับลมหายใจหยุดได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ่อๆอุเบกขาทําที่บ่มมานี่มันมันมันมากขึ้นแทนที่มันจะไปหุดหิดหดหงิดหดหดิดมันไม่หดหดแล้วเพราะมันมีอุเบกขาเป็นอารมณ์ มันสามารถอยู่กันในสภาพที่ว่ารถติดนั้นได้อย่างธรรมชาติมากแล้วอีกหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายถ้าเราเดินตรงไปกับอาณาอันนี้พูดเกินเป็นเรื่องเื้องต้นก่อนเมื่อกี้ว่าสิบห้านาทีนี่ปลาก็ไปหลายนาทีแล้วว่าเหลื อ, เ, อ, อเวลาอีกประมาณสี่สิบนาทีพวกเราก็จะได้ปฏิบัติสมาธิกัน ตอนนี้ให้พวกเราเตรียมตัวให้พร้อมใครจะไปเข้าห้องน้ำก็ไปได้อนุญาตตอนนี้อย่าลุกตอนที่กำลังนั่งสมาธิเพราะประมาณสี่สิบนาทีจากนี้ไปเราจะนั่งสมาธิกันเข้าห้องน้ำเปลี่ยนท่านั่งลุกปรับเปลี่ยนอุปกรบ์ในสบาย